สิกขาบทที่7ว่าพอเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิชญาติประวรณาต่อภิกษุด้วยจีวรเป็นอั่ามากเพื่อนาไปได้ตามใจภิกษุนั้นพึงยินดีมีจีวรมีอุตราสงกับอันตราวาสศกเป็นอย่างมากจากจีวรเหล่านั้นถ้ายินดียิ่งกว่านั้นเป็นนิสกิยปะปาเจตีข้อว่า พึงยินดีเพียงอุตราสงกับอันตรวาสศกเป็นอย่างมากนั้นในคำพีวิพังแสดงว่าผ้าหายสามผืนพึงยินดีสองผืนผ้าหายสองผืนพึงยินดีผืนเดียวหายเพียงผืนเดียวอย่ายินดีเลยคาว่ายินดีในที่นี้หมายความว่ารับหรือถือเอาด้วยความพอใจในประโยคที่ยินดีเกินกาหนดเป็นทุกก ได้พามาเป็นนิสกีข้ามเสียสละแก่บุคคลว่าดังนี้อิดังเมพันเตจีวรังอัญญาตกังคหปฏิกังตะดุตตริงวิญญาปีตังนิสกียังอิมาหั่งอายสัมมโตนิสัจฌามิแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าขอแล้วเกินกำหนดก่อเจ้าเรือนผู้มิชญาิจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านอธิบายนอกจากนี้เหมือนในสิขาบทก่อนมีแปลกแต่ในส่วนอาบัตในคำพีวิพังแสดงว่านำไปมากด้วยคิดว่าเหลือจะเอามาคืนเจ้าของเขาบอกถวายส่วนที่เหลือเขาไม่ได้ถวายเพราะเหตุผ้าถูกชิงหรือผ้าหายรับมากกว่ากำหนดไม่เป็นอาบัตสิขาบทนี้ ทรงบัญญัติเพื่อให้รู้จักประมาณรับมากเป็นไม่รู้จักประมาณรับเข้ามีโทษไม่รับเป็นการเสียศรัทธาของเขาไม่รับเป็นความเสียพระคันธะรเจนาจารย์เพ่งความข้อหลังนี้จึงกล่าวอนาบัติไว้ดังนั้นข้อนี้ควรถือเป็นตัวอย่างประพฤติให้พอดีในการรับอย่าให้เป็นโลภจนเขาเบื่อ อย่าให้เป็นการอวดมากน้อยจนเขาเสียใจซิขาบทที่8ว่าอันหนึ่งมีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ ย, ยากตราเตรียมทรัพสำหรับจ่ายจีวรเฉพาะภิกษุไว้ว่าเราจักจ่ายจีวรด้วยทรัพสำหรับจ่ายจีวร น, นี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาแล้ว ถึงการกำหนดในจีวรในสำนักของเขาว่าดีละท่านจงจ่ายจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพ์สหรับจ่ายจีวรแล้วยังรูปให้ครองเถิดเป็นนิสกิยาปจิตตีถือเอาความเป็นผู้ใคร่จีวรดีคนผู้ไม่ได้ปวารณานั้นคือคนไม่ได้เป็นญาติและไม่ได้สั่งไว้ให้บอกให้ขอในคราวที่ต้องการ ข้อนี้จะแก้ข้างหน้าในสิ่ขาบทที่ว่าถึงเรื่องปวารณาภิกษุรู้ว่าเขาจะจ่ายจีวรถวายเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปวารณาเข้าไปสั่งให้เขาจ่ายจีวรที่ดีกว่าแพงกว่าเขาจ่ายตามคำเป็นทุกกฎในประโยคที่ได้มาเป็นนิสสคีคำเสียสละแก่บุคคลว่าดัางนี้อิดังเมพันเต จีวรังปุบเบอปปวาริเตนะอัญญาตะกังกะหาปฏิกังอุปสรังกมิตรวาจีวเรวิกัปปังอาปันนังนิสกิยังอิมาหังอายสมมโตนิสชามมแปละวะ่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าเขาไม่ได้ประวารณาไว้ก่อนข้าพเจ้าเข้าไปหาเจ้าเรือนผู้มิเชย่าิถึงการกำหนดในจีวรจำจัตสลั ข้าพเจ้าสลาจีวรเผืนนี้แก่ท่านเพราะคําว่าถือเอาความใคร่ในจีวรดีกว่าในคมภีวิพังท่านจึงกล่าวว่าเขาปรารถนาจะจ่ายจีวรมีราคามากสั่งให้จ่ายจีวรมีราคาน้อยไม่เป็นอบัติอธิบายนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทที่6อันว่าด้วยเรื่องขอจีวรสิกขาบทที่9ว่าอนหนึ่ง มีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ ย, ยากสองคนตราเตรียมทรัพย์สําหรับจ่ายจีวอเฉพาะผืนเฉพาะผืนไว้เฉพาะภิกษุว่าเราทั้งหลายจะจ่ายจีวอเฉพาะผืนเฉพาะผืนด้วยทรัพย์สําหรับจ่ายจีวอเฉพาะผืนเฉพาะผืนนี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวอหลายผืนด้วยกันถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ประวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาแล้วถึงการกำหนดในจีวอในสำนักของเขาว่าดีละ่ะขอท่านทั้งหลายจ่ายจีวอเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพสหรัมปชัญญะเฉพาะผืนเฉพาะผืนแล้วทั้งสองคนรวมกันอย่างรูปให้ครองจีวอผืนเดียวเถิดเป็นนิสกิยปาจิตตีถือเอาความเป็นผู้ใคร่ในจีวอดีความแห่งศีขาบทนี้ เหมือนแห่งศิขาบทก่อนแต่เพียงเขาต่างคนต่างเตรียมจะหาจีวรถวายคนละผืนคล้ายถวายพระบวทใหม่ภิกษุเข้าไปพูดให้เขารวมซัพ์เข้าไปนันเดียวกันจ่ายจีวรแต่ผืนเดียวหรือลดจํานวนน้อยลงมากกว่าแต่เป็นของดีกว่าเฉพาะผืนทำอย่างนี้เขาไม่ต้องเพิ่มซัพ์ขึ้นอีกแต่เหตุฉะไหนไม่ทรงอนุญาตเข้าใจว่า เพราะเขาไม่ได้ประวรณาไว้เดิมเข้าไปพูดเช่นนั้นเป็นการเกินงามสิกขาบทที่1ิบว่าอันหนึ่งพระราชาก็ดีราชามาดก็ดีพ ร, ระรา์ก็ดีขหาบรี่ก็ดีส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่าเจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร น, นี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวร ถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้นํามาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรภิกษุนั้นพึ่งกล่าวต่อทูตอย่างนี้ว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยการถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่าก็ใครๆ ผู้เป็นวายาวัจกรของท่านมีหรือภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวายาวัจกรของภิกษุทั้งหลายถ้าทูตนั้นสั่งวายาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าคนที่ท่านแสดงเป็นวยาวจกรนั้น ข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจกให้ท่านครองจีวรตามการภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาวยาวัจกรแล้วพึ่งทวงพึ่งเตือน2ถึงสามครั้งว่ารูปต้องการจีวรภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่สองถึงสามครั้งยังวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้ การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้งห้าครั้งหครั้งเป็นอย่างมากเธอยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้งหครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากยังวยาวจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าให้สาเร็จไม่ได้ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวร น, นั้นให้สาเร็จเป็นนิสขียปจิตตีถ้าให้สาเร็จไม่ได้พึ่งไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้ในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าท่านส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใดทรัพย์นั้นหาสาเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่ ท่านจงทวงเอาคืนทรัพย์ของท่านทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลยนี้เป็นสามีจีกรรมคือการชอบในเรื่องนั้นพระคันธะรจนาจารย์แก้ความแห่งสิขาบทไว้ในคมพีวิพังกล่าวซ้ำความอีกวาระหนึ่งเป็นแต่ไขความในข้อที่ควรอธิบายจะกล่าวแต่เฉพาะบางคำคำแสดงวยาวัจกรนั้นพูดปเปลย ท่านจึงห้ามว่าอย่าสั่งให้เขาให้อย่ารับรองว่าผู้นั้นจะเก็บไว้จากแรกจากจ่ายเพราะคําทวงคําเตือนพูดเปลยแต่เพียงว่าต้องการจีวรท่านจึงห้ามไม่ให้พูดว่าจงให้แก่รูปจงเอามาให้รูปจงไปแลกจงไปจ่ายให้รูปในข้อว่าพึงยืนนิ่งต่อหน้านั้น ท่านสั่งว่าอย่านั่งบนอาสนะอย่ารับอมิตรอย่ากล่าวธรรมเขาถามว่ามาธุระอะไรเพึ่งกล่าวว่ารู้เอเวงเถิดถ้านั่งบนอาสนะก็ดีรับอมิตรก็ดีกล่าวธรรมก็ดีชื่อว่าหักการยืนเสียท่านเทียบการเตือนและการยืนไว้ว่ายืนสองครั้งเท่ากับเตือนหนึ่งครั้งและยอมให้แลกกันได้ ข้อให้ไปบอกเจ้าของเมื่อไม่ได้รับประโยชน์แต่ทรัพย์นั้นเป็นสามีจิกรรมนั้นพระอัธกถาจารย์แก้ว่าไม่ทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะวัตเพทะคือละเลยกิจวัตรความเห็นของข้าพเจ้าว่าเรื่องนี้ควรกำหนดด้วยกรรมสิทธิ์ที่ภิกษุมีเพียงไร่านห้ามมิให้สั่งให้มอบแก่วั ย, ยาวชกร เพื่อจะหลีกจากสั่งให้รับรปูปยะท่านห้ามิให้รับรองว่าเขาจะเก็บจกจ่ายนั้นก็เหมือนกันท่านห้ามิให้ทวงตรงๆนั้นจะถือว่าทูตไม่ได้พูดมอบให้กรรมสิทธิ์กระมังแต่การที่เขาไปบอกนั้นชื่อว่าเป็นอันให้กรรมสิทธิ์อยู่เองถ้าจะนึกโดยอย่างอื่นก็เป็นเล่นสำนวนไป ในสิกขาบทห้าไม่ให้พยายามกว่ากำหนดนั้นไปจะเป็นเพราะทำเกินงามก็ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีกรมสิทธิ์ไม่เช่นนั้นจะต้องบอกเขาทำอะไรคำเสียสละจีวรลเป็นนิสกีแก่บุคคลว่าดังนี้อิดังเมพันเตจีวรังอติเรกะติคตุงโจโดนายะอติเรกะชักคตุงท่านี้นะ อภินิพากทิตังนิสกิยังอิมาหั่งอายะสมะโตนิสั จ, จามิแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าให้สำเร็จด้วยทวงเกินสามครั้งด้วยยืนเกินหกครั้งจำจะสละข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านเมื่อภิกษุทวงและยืนครบกำหนดแล้วเลิกเสียไม่พยายามต่อไป วั ย, ยาวจกรถวายเองก็ดีเจ้าของทวงเอามาถวายก็ดีไม่เป็นอาบัตโกศยวัค์ที่สองสิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำสันถัดเจือด้วยไหมเป็นนิสกิยปาจิติตสันถัดนั้นเป็นผ้าอย่างหนึ่งไม่ได้ทอใช้หล่อคือเอาขนเจียมลาดเข้าแล้วเอาน้ำข้าวหรือของอื่นอันมียาง พอจะให้ขนเจียมจับกันพรมลงไปแล้วเอาขนเจียมโรยมีเครื่องรีดเครื่องทับทำให้เป็นแผ่นหนาบางตามต้องการสิขาบทนี้ห้ามว่าเมื่อจะทำสรรทัดเช่นนั้นห้ามมีให้เจือหมายลงไปถ้าขืนเจือลงไปเป็นนิสกิยาทำเองก็ดีใช้ผู้อื่นทำก็ดีตั้งแต่ต้นจนสำเร็จหรือตนทำค้างไว้ ใช้ผู้อื่นให้ทำต่อจนสาเร็จหรือใช้ผู้อื่นให้ทำค้างไว้ตนทำต่อให้สาเร็จเป็นนิสกิยะทั้งนั้นเรียกสั้นว่าจะตุกะนิสกิยาปาเจเตได้ของที่คนอื่นทำไว้แล้วใช้สอยเป็นทุกกฎใช้เป็นของอื่นเช่นเป็นเปลือกฟูหรือหมอนเป็นต้นไม่เป็นอาบัตข้อนี้พึงเข้าใจอธิบายว่า ความมุ่งหมายของสีขาบทก็เพื่อจะกันอย่าให้ตัวหมายต้องต้มวายวอดแต่มีคำห้ามเฉพาะสันทัดท่านจึงกล่าวว่าใช้เป็นของอื่นไม่เป็นอาบัตในที่เช่นนี้บางแห่งท่านปรับอาบัตแบ่งลงมาเป็นทุกกฎสนิษฐานเห็นว่าแม้ใช้เป็นของอื่นแต่ยังไม่พ้นทำความเสียควรปรับทุกกฎ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 ให้ทำสันทัดแห่งขนเจียมดาล้วนเป็นนิสกิยปาจิตติสิกขาบทที่สมว่าอันหนึ่งภิกษุให้ทำสันถัดใหม่พึงถือเอาขนเจียมดาล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สาขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สถ้าภิกษุไม่ถือเอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สาขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ ให้ทำสันญัตใหม่เป็นนิสกิยาปาจิตีความมุ่งหมายแห่งสิขาบทนี้เพื่อจะห้ามไม่ให้ใช้ขนเจียมดำเกินกว่าสองเสี่ยวที่สหรือครึ่งหนึ่งให้ใช้ขนเจียมขาวก็ดีแดงก็ดีเกินกว่าเสี้ยวหนึ่งหรือใช้ล้วนทีเดียวไม่ห้ามเหตุไนจึงห้ามขนเจียมดำข้าพเจ้าไม่เข้าใจในต้นบัญญัติกล่าวแต่เพียงว่าเหมือนของครืัน บางทีจะเป็นสีที่พวกภิกษุไม่นับถือกระมังเช่นในฉลาพิชาติสแสดงคนใจบาปหยาบช้าเปรียบด้วยสีดำสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุให้ทำสันธัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้หกฝนถ้ายังหย่อนกว่า6ฝนเธอสละเสียจแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ่งสันทัดนั้น ให้ทำสันถัดอื่นใหม่เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติเป็นนิสกิยปปะจิตเตปีหนึ่งในบาลีเรียกว่าฝนหนึ่งกำหนดให้ใช้สันถัด6ฝนนั้นเป็นข้างเร็วใช้นานกว่านั้นไม่ห้ามที่ยกเว้นแก่ภิกษุผู้ได้รับสมมุติในนิทานว่าทรงปรารบภิกษุอาพาทยาดเขาจะรับไปรักษาจะาสันทัดไปด้วยไม่ได้ ไม่ใช้สันทัดก็ไม่สบายเข้าใจยากถ้าจะชี้ให้เห็นง่ายภิกษุมีสันทัดหายควรได้รับสมมุติให้ทําใหม่แท้สิกขาบทที่5ว่าอนหนึ่งภิกษุผู้ให้ทําสันทัดสําหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคดโดยรอบแห่งสันทัดเก่าเพื่อทําให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคดโดยรอบแห่งสันทัดเก่า ให้ทำสันถัดสำหรับนั่งใหม่เป็นนิสขิยาปาจิตเตอในที่นี้แห่งเดียวมีคำว่าสำหรับนั่งติดเข้ามาด้วยพระคันถะราชนาจาร์กล่าวแก้ไว้ในคำภีวิพังว่าเป็นของมีชายแต่หาได้กล่าวไว้ให้ชัดเจนไม่ข้อว่าให้ถือเอาคืบสุคดโดยรอบนั้นท่านกล่าวว่าโดยกลมก็ได้โดยสี่เหลี่ยมก็ได้ สันถัดเก่านั้นคือสันถัดที่ใช้แล้วแต่อย่างไรในคำพีวิพังจึงแก้ว่าที่นุ่งแล้วก็ดีห่มแล้วก็ดีแม้คราวเดียวเห็นจะหลงมาจากปุรานจีวอนท่านได้เอาคืบสุคดหนึ่งโดยรอบแห่งสันถัดเก่าลาดลงในเอกเทศหนึ่งหรือชีออกบนกับขนเทียมใหม่หลอ่อหาไม่ได้ปนเข้าแต่น้อยหรือไม่ได้ปนเลย ได้ของที่คนอื่นทำและใช้สอยไม่เป็นอาบัตสิกขาบทที่6ว่าอันหนึ่งขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางภิกษุต้องการรับพึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อคนถือไม่มีพึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทางสามโย์เป็นอย่างมากถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสกิยะปะจิตเต ยอดนั้นในประเทศสยามนี้นับว่า400รอเส้นในที่อื่นนับอย่างไรเจอกล่าวข้างหน้าขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้อยู่ในระหว่างทางชั่วคราวแล้วนำต่อไปอีกได้สิกขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุใดยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียม เป็นนิสกียะปาจิตตีอธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในอันเก่าแล้วในสิกขาบทที่สแห่งจีวรวักอันว่าด้วยให้ซักจีวรเก่าสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกียะปาจิตตีทองเงินนั้น อันเขาทำเป็นรู ป, ปรพัณฑ์แล้วก็ตามอันเขาไม่ได้ทำแล้วยังเป็นแท่นเป็นลิ่มอยู่ก็ตามเป็นรูปียะคือของสำหรับจ่ายก็ตามโดยที่สุดของที่ไม่ใช่ทองเงินแต่ใช้เป็นรูปียะได้ก็นับว่าทองเงินในที่นี้ข้อว่ายินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้นั้นแต่ลำพังจิตตุ ป, ประบาดไม่น่าจะเป็นอาบัต จำจะหมายความถึงรับถือกรรมสิทธิ์ในของนั้นทองเงินอันเป็นนิสกีนั้นกานให้สละในสงฆ์ามเสียสละว่าอหังพันเตรูปียังปฏิกะเฮสิงอีดังเมนิสกียังอิมาหังสร้างคัสสะนิสชามิแปลว่าข้าพเจ้ารับรูปียะไว้แล้วของนี้เป็นนิสขี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 ไม่ถึงอคติสี่และรู้จักว่าทำอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งภิกษุนั้นพึงทิ้งอย่าหมายที่ตกถ้าทิ้งหมายที่ตกต้องทุกกดอาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะเรื่องนี้แต่แรกดูเหมือนห้ามเป็นกวดขันแต่ภายหลังมีพระพุทธานุญาตในที่อื่นผ่อนลงมา ถ้าครือัดเขาเอารูปียะมอบไว้ในมือกัปิยะการกสั่งไว้ว่าจงจัดหาของอันเป็นกัปิยะถวายภิกษุสิ่งใดเป็นของควรทรงพระอนุญาตให้ยินดีของนั้นแต่รูปียะนั้นได้แต่ห้ามไม่ให้ยินดีตัวรูปียะนั้นแม้เช่นนี้ก็ไม่ผิดอะไรนักจากข้อว่ายินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ เป็นแต่ยักษ์เสียว่าอย่าถือเอาก ร, รมสิทธ์ในทองเงินนั้นแต่ถือเอาก ร, รมสิทธ์ในอันจะได้ของเป็นกับิยะแต่ทองเงินนั้นได้อยู่เรื่องนี้ทรงพระปรารพเสถีฐรเมรธกะเป็นผู้ทำขึ้นก่อนทรงพระอนุญาตไว้จึงเรียกว่าเมธกาอนุญาตสิขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุใดถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะ มีประการต่างๆเป็นนิสกิยปัจจิตีรูปียะนั้นทองเงินก็ดีของอื่นก็ดีอันใช้เป็นมาตราสําหรับแลกเปลี่ยนถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปียะมีประการต่างๆนั้นได้แก่เอารูปียะจ่ายซื้อกับิยะบริขารต่างชนิดก็ดีจ่ายเป็นค่าแรงคนทํำการต่างอย่างก็ดีและจ่ายเป็นค่าอื่นๆอีกก็ดี สิขาบทนี้มีประโยชน์ที่จะการไม่ให้เอาทองเงินที่เป็นนิสกีในสิขาบทก่อนมาจ่ายซื้อกับปียบบริขารและจ้างคนทําการนี้อธิบายตามมติของข้าพเจ้าฝ่ายพระคันธารจนาจารย์อธิบายความไปทางอื่นทองเงินที่ได้ทําเป็นรู ป, ปรพัณฑ์ก็ดีไม่ได้ทําก็ดีซึ่งควรจะอธิบายในสิขาบทก่อนท่านอธิบายในสิขาบทนี้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 น่าจะไม่ซ้ำกับความแห่งสิกขาบทก่อนของเป็นนิสกีด้วยสิกขาบทนี้ท่านให้สละในสงฆ์เหมือนสิกขาบทก่อนคำเสียสละว่าอย่างนี้อหังพันเตนานะปการะกังรูปิยสั่งโวห้ารังสมาปั จ, จิงอิดังเมนิสกิยังอีมาหังสั่งคัสสะนิสชามิแปลว่า ข้าพเจ้าถึงการแลกเปลี่ยนด้วยรูปียะมีประการต่างๆของนี้ของข้าพเจ้าจำจะสละกข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่สงฆ์ค่าแรงสละไม่ได้ก็พึงแสดงแต่อบัติสีขาบทที่10ว่าอันหนึ่งภิกษุใดถึงการซื้อและขายมีประการต่างๆเป็นนิสกิยปาจิตติการซื้อและขายในที่นี้ได้แก่แลกเอา หรือรับเอาของอันเป็นกัปปิยะด้วยของอันเป็นกัปปิยะเหมือนกันเช่นการที่ทำกันในระหว่างคนขายของเครื่องใช้กับชาวนาผู้ซื้อด้วยข้าเปลือกเพราะการซื้อขายด้วยรู ป, ปียะห้ามด้วยสิขาบท ก, ก่อนแล้วถือเอาอธิบายอย่างนี้การแลกเปลี่ยนของกันซึ่งไม่นับในซื้อขายที่เรียกในคำอคตว่า ปาริวัตกรังก็นับเข้าในนี้ด้วยแต่ท่านห้ามไม่ให้ทำเฉพาะกับคริหัสเพราะในพวกสหธรรมิกมีอนุญาตไว้ชัดแล้วของเป็นนิสกีในสิกขาบทนี้ท่านกล่าวว่าให้เสียสละแก่สงฆ์แก่คณะแก่บุคคลก็ได้คมเสียสละแก่บุคคลว่าอย่างนี้อหังพันเตนานบปการะกังกะยะวิกยัง สมาปัิจริงอดังเมนิสกิยังอิมาหังอายสมาโตนิสัจามิแปลว่าข้าพเจ้าได้ถึงการซื้อขายมีประการต่างๆของสิ่งนี้ของข้าพเจ้าจําจะสละข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่ท่านภิกษุถามราคาต่อเจ้าของเองแล้วแจ้งความต้องการของตนแก่กัปปิยาการกท่านกล่าวว่าไม่เป็นอาบัติ